ขอบคุณคุณค่ะกล่าวนามัสการและคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านในที่นี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่คท2ค่ะที่ฉันได้โอก า, าสมาสนทนาธรรมกับชาวธนาคารอาคารสงเคราะห์นะค ะ, ค ะ, คะแล้วก็วันนี้มีน้องแดนมาด้วยะะวันนี้น้สําหรับแดนถือเป็นครั้งแรกนะคะก็กลาวนามัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดี ท, ท, ท, ท, ะะสสดทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะ ก็มาสัตวรูมีการออกตัวที่จริงเป็นมุกนะคะจึงพวกเราทั้งสองคนเป็นคนไม่มีสาระนั่งไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวกับสาระเคเกี่ยวกับว่ารูปแบบในเรื่องของคําถามอาจจะมาจากต่างประสบการณ์กันก่อนที่จะได้เริ่มการสนทนาในขออนุ ญ, ญาตให้ทุกคนมีการบ้านหนึ่งข้อไว้ในใจก่อนนะคะว่าคําถามหรือว่าสิ่งที่ เป็นธรรมะที่อยากจะได้ถามเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะอยากจะให้เก็บคําถามไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายหรือว่าในระหว่างที่เราสนทนากันอยู่เราจะได้มีคําตอบให้นะค ะ, ะคจา ก, จากพระอาจารย์อยากจะให้เป็นพื้นที่ของทุกๆ ท, ท่านนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามากันตรงนี้แล้วก็หัวข้อนี้สุขอย่างไรในที่ทํางานไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยรู้สึกสุขหรือไม่สุขกับการทํางานมีเสียงหัวเราะนะคะาาก็แบบ คนเราบอกว่าเอ้ยไม่ไม่มั่นใจว่าคนเราแบบสุ ข, สขหรือไม่สุขอยู่นะค่ะ <c oughs> คือชีวิตของคนเราเนี่ยหมดอยู่ยกับการทํางานเป็นซะส่วนใหญ่นะคะน่าจะประมาณ2ในสาของชีวิตได้ซ้ำไปนะครพระอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดเราทํางานอย่างไม่มีความสุขมันก็คือความทุกข์สาในส่วนของชีวิตไปแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานอย่างมีความสุขบางคนบอกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทํางานเลยเพราะว่าชีวิตกับงานเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ เดี๋ยวยังไงจริงๆอยากจะให้เป็นพื้นที่ของทุกท่านนะคะเรามีเวลากันไม่มากแล้วก็มีโอกาสไม่มากค่ะที่จะได้พบกับพระราชาพระพิสาระานะคะเราอาจจะติดตามท่านจากหนังสือหนังหาที่เป็นคําถามของท่านอื่นๆปุจฉาวิสัชนาจากท่านอื่นๆแต่คําถามที่เกิดจากตัวเราเองข้อคิดข้อสงสัยหรือปัญหาชีวิตในการทางานของเราเองอยากจะถือโอกาสนี้เนี่ย เ, เรียนเชิญ น, นะคะทุกท่านได้แบ่งปันแล้วก็อาจจะบอกเล่าเรื่องราวอาจจะไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงานก็ได้อาจจะมีผลต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าพัดพิทงถึงผู้บังคับัญชาอะไรเนี้ยนะคะยกเป็นกรณีตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะค่ะก็อาจจะ<ม>ได้จะเริ่มคมีใครจะเร่างคำถามแรกไหมคะหรืออาจจะง่ายๆกับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสุขความทุกขในการทํางานมากน้อยแค่ไหนอนก่อนก็ได้ค่ะาจะมาจะเริ่มก่อนก็ได้นะถามดีกว่าค่ะคือสุขอย่างไรในที่ทำงานเนี่ยค่ะคําถามคือว่า ทำไมเราต้องมาแสวงหาความสุขในที mm ่ทำงานก็ในเมื to to ่อเรามาทำงานเนี่ยก็เพื่อให้เกิดผลงานใช่ไหมงั้นมาทางานก็ต้องมุ่งมาที่การทำให้งานนีํสำเร็จและทำไมต้องมาแสวงหาความสุขใช่ั้ยถ้าแสวงหาความสุขก็ไปที่ห้างสิใช่ไหมไปที่โรงหนังสิทำไมต้องมาแสวงหาความสุขในที่ทำงานเรามาทำงานเพื่อจะได้มีเงินใช่ไหม เพรเงินก็คือถ้าเราทํางานแล้วได้เงินก็น่าจะพอใจแล้วเนี่ย<ม>แล้วทำไมจะมาต้องเอาความสุข ด, ด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานสําเร็จนะงานแล้วเงนิงนก็ได้มามก็พอแล้วจะทุกบ้างก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วของการมาทํางานใช่ไหมคือทําแล้วได้งานทําแล้วได้เงินก็โอเคแล้วเนี่ย<ม>จะเราจะมาหาความสุขทําไมมีมีมีคำตอบค่ะจะมาหาความสุขทําไ ม, ม, มเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานก็คือทำจนถึงสุขใช่ไหมคะเหลือวันหยุดแค่สองอาทิตย์นี่เราจะไม่คิดถึงความสุขลบคิดถึงแค่ความสุขแค่วันสองอาทิตย์หนูว่ามันเป็นหนูหนูว่าไม่พอนะคะค่ะจริงๆป้า จ, จ, จางพูดเหมือนกับว่าดูเหมจะคุ้มแล้วใช่ไหมคะแบนไม่เห็นต้องทํวาวันสุขแล้วอย่างน<ช>ี้การ ม, มามทํางานเนี่ยเราก็จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ได้งานและได้เงินใช่ไหมความสุขไม่ควรจะก็ไม่น่าจะ คือถ้าเราได้งานแล้วได้เงินก็นายอพอใจแล้วไงทำไมเราจะมาหาความสุข <ừ> ถ้าต้องการหาความสุขก็ไปห้างสิใช่ไหมทำไมถึงคิดจะมาหาความสุขในที่ทํางานตกลงความสุขเราอยู่ที่ทํางานให้สําเร็จกับความสุขอยู่ที่เงินเดือนออกตรงเวลาไปไหมคะ <S <S <S <S ใช่ไหมคะสรุปว่าความสุขเราอยู่ที่สองอย่างนี้หร<อ><ม>ือเปล่าคะหรือความสุขอยู่ตรงที่ว่าเออเราได้เพราะว่าเท่าที่ทราบจากทางพี่อุ้ยนะคะทางธนาคารนาคาสงเคราะห์มักจะมีกิจกรรมทางสังคม ที่เอื้อเฟื้อทําให้เรามีความสุขใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นความสุขเพื่อสุดท้าค่ะเต็นด้วยนะคะแ่นเมื่อสักครู่ที่แนนบอกว่าจาย์ถึงสุขเนี่ยเรามาทํางานเราได้เงินก็น่าจะพอแล้วอะค่ะจริงๆแล้วนนนมีเคยมีความคิดอย่างนี้นะคะว่าดูนาฬิกาตลอดก่อนเวลางานเลิก ค, ค่ะเจ้าค่ะประจันแล้วมันเป็นมีใครเป็นหรือเปล่าคะ เหมือนแบบพอเข้าเข้างานเนี่ยดูในการตอนเช้าว่าโอเคมาตรงเวลาเสร็จแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่เที่ยงแล้วก็ดูอีกทีเมื่อไหร่เลิกอะไรแบบเนี้ยค่ะนันนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเราได้มีโอกาสที่จะทํางานโดยที่ไม่ได้ดูนาฬิกาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเพลินในการทํางานมากขึ้นไหมคะหรือเป็ น, นการที่แบบเหมือนกับว่าเรามีความสุขในระหว่างที่เรา เงินเดือนยังไม่ออกอะค่ะมันไม่อยากมีความสุขแค่ ว, วันเงินเดือนออกวันเดียวอะไรเงี้ยเจ้าะคะมีมีวิธีคิดยังไงไหมคะอันนี้ถามทำทำแทนตัวเองนะคะพี่ๆทุกคนอาจจะมีบางคนที่รู้สึกด้วยนะคะจะได้ได้รับคําตอบไปด้วยคําถามยากไปไหมคะ <c oughs> ตอนก่อนมาตอนมาก็บอกํามทุนแหว่าอย่าถามยากนะ <c oughs> เอาป <c oughs> เป็นว่าวออในระหว่างเงินเดือนยังไม่ออกอะค่ะจะทํายังไงให้มีความสุขได้ไได้วย<ม> ในที่ทำงานเราก็ไม่ต้องมองนาฬิกาบ่อยๆเคไหนคือประเ็นของทำมคือว่าทำไมถึงต้องต้องการสังหาความสุขในที่ทำงานใช่เพราะงานเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นที่ที่เราจะสั่งหาความสุขงานเป็นที่ที่เราต้องมาทำงานแล้วก็เป็นที่ที่ถ้าได้งานแล้วก็โอเคงานเป็นที่ที่เรามาเพื่อที่จะหาเงินเมื่อได้เงินแล้วก็น่าจะโอเคทำไมเราต้องต้องมีความสุขในที่ทางานอะอันนี้ถามถามถามคนฟังอ่ะใช่ไ จำเป็นไหมค่ะหรือคิดว่าไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมหรือคิดว่าวันนี้พอเห็นหัวข้อนี้แล้วคิดว่ามันจะตอบโจทย์อะไรเราไหมถึงมันั่งฟังอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมต้องมาสวยหาวความสุขในที่ทำ ง, งานเพราะว่าเมาื่อเคยบอกงานมันไม่ใช่ที่ที่จะสวงหาวความสุข ง, งานเป็นไปที่เราต้องทํางานให้เกิดผลนะเป็นที่ที่เราจะมาทําอาชีพเพื่อได้มีเงิน เป็นเพราะเราแสวงหาความสุขในการทำงานหรือเปล่าเราถึงทุกข์เมื่อไม่พบความสุขใช่ไหมเหมือนกันเราไปห้างแล้วเราหวังว่าจะได้มีของใหม่ปรากว่าของเก่าอะ่ะเหมือนเดิมเลยเราก็ผิดหวังเมื่อผิดหวังก็ไม่มีความสุขเราไปเราไปไปร้านที่เขาชมว่าอาหารอร่อยแล้วเราก็หวังว่าจะมีอาหารอร่อยกินเราจ่ายเงินไปก็แพง อาหารไม่อร่อยอย่างที่เราคิดเราก็เลยทุกทั้งที่อาหารก็อร่อยนะแต่มันอร่อยไม่สมอยากเราใช่ไหมหรือไม่สมราคาในความรู้สึกของเราถ้ามันราคา20บาทเราก็บอกอาหารชิ้นอาหารจานนี้อร่อยแต่พอมาสองพัน 2, เนี่ยมันกลายเป็นไม่อร่อยแล้วความอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ได้อยที่รสชาติของอาหารแต่อยู่ที่ความคาดหวังของเราหรือเปล่าคือถ้า20บาทเรากหห็หวังนิดหน่อยมันก็ก็อร่อยแล้วแต่พอ2องพันเนี่ยนะ อาหารจานเดียวมำเนการเป็นแม่อร่อยไปแล้วเพราะสองพันเงี่ย<ม>ก็คือต้องคาดหวังว่ามันต้องมันต้องอร่อยใช่ไหมกว่ายี่สิบาทใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าคือเรามีความทุกเนื้อทุกตัว ง, งานเพราะเราเราไปหวังความสุขว่ามาทํา ง, งานแล้วต้องมีความสุขหรือเปล่าจําเป็นไหมที่ทํา ง, งานต้องมีความสุขคระบฮะทำไมานี่จาเป็นทำไมคะไ ม, ไม่จะให้มีกําลังใจท <ำ S 1> ํางานเนอะ จะด้มีแบบว่ารู้สึกว่าอุย๊ยอยากมาทํางานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากอยากมาเจอเพื่อนๆอยากจะแบบมาสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เวลาสตาร์ทออกจากบ้านด้ยวยความรู้สึกนี้มันจะแผ่วลงตันแต่กลางกลวันทุกทีเลยแล้ควค่ะมันจะแบบเอ้ยทำไมคาความรู้สึกเมื่อเช้านี้มันหายหายยังไงไม่รู้อะไอย่างเงี้ยเป็นที่ความคาดหวังของเราใช่ไหมคะคืออาตมาที่นไปอตาตมาถามเล่นๆนะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือถามเล่นๆว่า ทำไมาทำไมเราต้องหาความสุขในทิ่ทางานหรือทําไงทำทำไมเราต้องมีความสุขในการทํางานในเมื่อเราทํางานเพื่อหวังผลสําเร็จนะแล้วถ้าเป็นอาชีพเราก็หวังเงินใช่ไหมแต่น้อยที่ว่าเนี่ยต้อาจะตอบแล้วนะว่าทําไมการมีความสุขในการทํางานถึงสําคัญหรืออาจจะเรียกว่าจําเป็นนะก็เพราะว่าแม้เราทํางานเพื่อหวังให้งานสําเร็จ แต่ความสําเร็ จ, จกับความสุขนี่บ่อยครั้งมันมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมคือถ้าไม่ถ้าทำงานไม่สุขเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสําเร็จทําแบบสั ง, สงกตายใช่ไหมคนที่ทํางานแบบสังกตายขอไปทีเนี่ยมันจะได้ผลงานที่ดีนะโดยเทพ่ะคนที่ทํางานด้วยความมันใช่ไหมคนที่ด้วยความด้วยความสุกก็างานก็ต้องออกมาดีใช่ไหมแล้วก็อาตมาเนื่ถึงการเรียนนะเราเรียนเพื่อเอาความรู้ใช่ไหม แต่ทําไมเรียนแล้วต้องมีความสุขด้วยใช่ไหมฮะในเมื่อเราเรียนเพื่อเอาความรู้เราเล่าความสุขไปทําไมปัญหาคําตอบคือว่าความรู้กับความสุขเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้แล้วมันน่าจะไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเรามาเรียนด้วยความกระตือรือร้ น, นถ้าเรามีความสุขกับการเรียนนะพู้มันความรู้มันกงองเงยขึ้นเยอะเลยอาตมาผู้จะประสบการณ์ตัวเองนะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของตัวเองเมื่อ ตัวเ่มีความสนุกการเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ก็คือเรามีความสนุกกับการเรียนโอ้ความรู้ที่มันคือเราเกิดความขยันขึ้นมาเองเลย1เราอยากไปโรงเรียนนะวันวันจันไม่ใช่เป็นวันนรกของเราอีกต่อไปใช่หมหนึ่งอยากไปเรียนสองเราเรียนตั้งแต่ยังไม่ทันไม่ทันโรงเรียนเปิดเราก็เรียนอาตมาตื่นมาตี5ก็มาอ่านหนังสือ ไม่มีครบังคับใช่หมเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขกับการที่ได้อ่านได้เตรียมใช่แล้วก็พอเราอ่านเราเตรียมรวปหน้าความร่วมัก็งอกเงยใช่ไหมแล้วทคิดว่าการเรียนความสุขเนี่ยนะมันควรไปได้วยกันถ้าเรามีความสุขกับการเรียนนะเราก็จะขยันเรียนและเราก็จะมีความรู้มากขึ้น แต่ไหมการเรียนจะไม่ใช่ไม่ใช่ยาขมอาตมาที่ว่าความิริงข้อนี้ก็มาใช้กการทํางานได้นะหลายคนพอถึงเย็นวันวันพุธแล้วเย็นอาทิตย์เนี่ยเริ่มเขียวแล้วนะตากะตอนเย็นวันศุกร์โอเย็นวันศุกร์นี่ราเริงนะพอถึงเย็นอาทิตย์นะเขียวแลใช่วันศุกร์แห่งชาติพอถึงวอาทิตย์นี่เริ่มเขียวแล้วนะเย็นนะตอนเย็นเขียวแล้วพอกลางวันพอเช้าวันจันทร์เนี่ยน้อยเลยนะบางคนที่ บางคนนี่เรียกว่าคลื่นไส้นะเอาจริงนะเพราะพ่อมีนอมนมคนนึงเนี่ยแกพอถึงเช้าวันจันทร์ที่แกแกจะซึ้อกระการกาดกระหวนมากพ่อแกต้องไปเจอเจ้านายที่ดุมากแกเป็นเลขาแล้วเจ้านายนนี้ดุโห้ยโขกสับแกนะแกก็เลยเป็นทุกข์แล้วคนอย่างเงี้ยทางานแล้วเนี่ยมันจะได้ผลดีไหมใช่ไหมฟังพระอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่ามันมีอีกคํานึง โผขึ้นมานะั่ยนั่นคือความรักเนาะเหมือนทํางานท่ามกลางความไม่รักเนี่ยเอ๊ะเราจะสแสวงหาความเราอาจจะต้องสแสวงหาความสุขแต่ถ้าทำงานด้วยความรักมันจะมาพร้อมกับความสุขใจไปด้วยในตัวหรือเปล่าสิ่งนี้นะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องสแสวงหาความสุขในที่ทํางานก็ได้ถ้าเราเพียงแค่เราไม่ทุกกับมันนะคะมันก็น่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าพอวันจันทร์มันก็ไม่ใช่เป็นวันจันทร์แห่งความปัดปวดอย่างที่พระจันทร์ว่านะคะ หรือว่าท่านอื่นๆคิดเห็นยังไงบ้างนี่เราผ่านวันหยุดกันมาเยอะมากนะคะมากรรมวันหยุดแห่งชาติเนี่ยเพิ่งผ่านช่วงหยุดเจยาสงการมาแล้วก็มาเจอวันหยุดยาเป็น5วันอะไรเงี้ยวันนี้อาจจะเป็นวันที่หลายคนกําลังปั่นอวนก็ได้นะคะยังเอี๊ปรับตัวไม่ได้ยังแบบเฮ้ยนี่มันวันหยุดไม่ใช่หรออะไรเงี้ยยังนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อสักครู่พระจานทร์บอกถึงเรื่องของความกลัวด้วยมีว่าเจ้านายดุแล้วกลัวเจ้านายด้วยแล้วยังไงต่อนะคะพอพอถึงจุดที่กลัวแล้วก็ รู้สึกระอักกระวนนะเพรากลัวแล้วก็หนึ่งไม่อยากมาทํางานแต่ทํางานเพราะว่าเป็นหน้าที่เพราะว่ามันหมายถึงเงินนะฮะหมายถึงผนบ้านฝนรถหมายถึงค่ารถเล่งของลูกแต่มาแล้วเนี่ยต้องกลัวเมื่อกลัวแล้วเนี่ยก็จะทําแบบผิดผิดถูกถูคนเรากลัวเนี่นะั้นก็ทําผิดทําพลาดใช่ไหมแล้วก็สุขภาพก็แย่ใช่ไหมได้เงินนะแต่สุขภาพจิตแย่สุขภาพกายเนี่ยเสื่อม มันคุ้มไหมใช่ไหมฮะมีบางคนมีบางคน เ, เนี่ยนะจบมาเนี่ยตั้งเป้าเลยนะว่าเมื่ออายุสามสิบเนี่ยจะหาเงินให้ได้สามสิบล้านนะแล้วเขาก็ทำได้นะแต่ว่าคุ้มไหมเขาป่วยเขานอนไม่หลับครอบครัวแตกแยกภรรยาเลิกลูกไม่มองหน้าเขาอะ่ะใช่ไอย่างนี้คุ้มไหมใช่ไหม คอเอาไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องครอบครัวนะเอาแค่ว่าได้เงินเป็นหลายสิบล้านแต่ว่าป่วยใช่ไหมหัวเป๋อเนี่ยโรคหัวใจเงี้ยแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะทํางานเนี่ยนะถ้าเราสามารถทํางานเล่นนิดนึงท่านที่คุณพรหมพุนาพรช่ยก็บว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขสุขในที่นี่คือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยกินอร่อยนอนหลับถ่ายคล่อง ะะสามอย่างนี้สำคัญมากนะฮะกินกินกินได้นอนหลับถ่ายคล่องเนี่ยเพราะถ้าสามอย่างนี้ขาดไปอย่างตรงนี้ชีวิตมันแย่เลยนะแล้วสเนี่ยสุขภาพจิตก็ดีใช่ไหมงานได้ผลคนเป็นสุขในความหมายนี่คือสุขภาพกายดีสุขภาพจิต ด, ดีอัตมาว่ามันก็ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพใช่แล้วมันก็จะเป็นบันไดไปสู่การทำความดีงามอย่างอื่นมากขึ้นเช่นเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็น เป็นลูกที่ดีใช่ฮะเพราะว่าไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเครียดอะไรต่างๆสามารถจะไปทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้อาศัยงานนั่นเองเนี่ยเป็นสะพานไปสู่การทำประโยชน์ให้กว้างขวางมากขึ้นเลอเพราะฉะนั้นเนี่ยตามาคิดว่ากุณตัวสำคัญคือความสุขนะซึ่งสำคัญก็เรื่องความรักความรักในที่นี้คือรักในงานนะฮะรักลูกรักรักลูกกระทั่งยอมเสียสละเพื่อมาทางาน รักพ่อแม่จนทั่งยอมลำบากเพื่อมาทำงานเนี่ยสมาหลากดีแล้วก็ยังดีแต่ว่าถ้าดีต้องรักงานด้วยรักงานได้นี่มันภาษาพระเราใช้คำว่าฉันทะฉันทะนะฉันทะคือความรักนะความรักในงานซึ่งเป็นบันไดข้อแรกบันไดขั้นแรกของการบรรลุความสำเร็จที่พระเจ้าเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ก็คือว่า ปาไปว่านะเส้นทางกันนะหรือว่าขนทางที่ทําให้สํำริดอีกที่ิภาวะสำลิดสาเร็จนะ ต, ต้องเติมเริ่มต้นในฉันทะและเมื่อมีฉันทากับความชอบแล้วเนี่ยหรือความรักเนี่ยมันก็ตามเลยวิรยิยะถ้ามีฉันทาในงานนะวิริยะมันตามมาเองมีฉันทาหรือความรักในการเรียนนะมันขยันเองนะแล้วก็จะมีจิตตะคือการที่จดจอ่อคอยตัวจตา หรือว่าพูดง่ายคือจิตเป็นสมาธิกับงานไม่วกแวกไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันถึงตอนเวลาเลิกงานแล้วท่านชื่อยงเบรกอะไรงี้ยคือถ้าเราดูแต่นาริกาแสดงว่าเราไม่มีจิตตะในงานใช่ไหมเรามีจิตตัดในนาริกาว่าเราพักเออใช่เนี่ยเพราะเราอยากจะสบายอยากจะหลุดจากนรกอ่างใช่ไหมเราก็เลยดูนาฬิกาแต่ถ้าเรู้สึว่าเออมันไม่ใช่นรกเราเพลินอ่ะปุ๊บเดียวหกโมงเย็นละ อ๋ อ, อยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยอ่ะหงายแล้วอะไรแบบนี้นะคะไอ้แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นบ่อยก็ไม่ดีนะเพราะว่าจะเป็นโรคคอะ้อใช่ไหม <c oughs> ไม่ดีหรอกค่ะคุณแม่ดูมีพอเที่ยงปุ๊บจะแบบเห็นอ๋อเที่ยงพอดีอะไรแบบนี้อ่าเปนก็ดีพอมีจิตตาแล้วก็มีวิมังสาก็คือการไต่ตรองอยากไต่ตรองพิจารณาเพื่อให้งานมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก, ก็จะมีการประเมินว่าวันนี้ทําดีไหมอะไรพลาดใครมาแนะนําใครมาทักท้วงก็ต้อนรับยินดี ไม่โกรธเพราะว่ามีวิมางษาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีความรักในงานเนี่ยไม่อยากให้งานออกมาดีเนี่ยใครมาวิจารณ์เราก็โกรธนะเพราะว่าเราสิดว่ามันกระทบอัตาเราแต่เราไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขาพูดมาอาจช่วยทำให้งานดีก็ได้นะงนั้นวิมางษานี่มันทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่อดทนต่อความวิจาร์แต่ว่าทําให้เราน้อมรับคำวิจารณ์ใช่ไหมยินดีขอบคุณนะซึ่งมันทําให้การทํางานเนี่ย ก็ไม่เพียงแต่ได้ผลความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ราบรื่นเพราะว่าไม่ทะเลาะ ก, กันเพราะเข้ามาวิจารณ์เราใช่ไหมฮะเพราะเขามาท้วงติงงานของเราไม่มีความรู้สึกโกรธเพราะฉะนั้นก็ได้ความสุขทั้งสุขที่ได้ทํางานแล้วก็สุขในความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม ง, งานตรงนี้มันก็เลยจะทําให้ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะทําให้ในแต่ละวันของเรามันมีความสุขได้เพราะว่าความรักด้วยนี่เอ ง, เองใช่ไหมคะทีนี้ในแง่ของเพื่อนร่วม ง, งานพระอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วเรื่องเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันการเรียกว่าเข้าใจกันแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ที่ทสอเองเนี่ยจะต้องดีลกับลูกค้าดีลกับ เรียกว่าผู้ที่จะมาขอรับมาให้บริการขอรับการบริการจากเราหรือมาช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะการเผชิญกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ผิดหวังของลูกค้าเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเลิดเพลินกับอารมณ์นั้นได้อย่างไงบ้างอันนี้ถามตรงใจหลายๆคนพราะมีมีใครมีคําถามนี้ด้วยไหมคะมีไหมคะหรืออยากจะขยายคําถามตรงนี้ไหมคะมีไหมคะ มีค่ะแต่อยู่ในใจอยู่ถามแทนให้แล้ะนะคะคเพราะว่ า, าพี่อุ้ยบอกว่าทออนนี่ยจะไม่ค่อยแสดงออกทางกายวาจาใจเท่าไหร่แต่เห็นแววตาแล้วรู้สึกว่ามีการสื่อกันนะคะก็ะนอกเหนือนจากการออจัด ก, การเรื่องของอารมณ์กับเพื่อร่วม ง, งานแล้วว้าน้อมรับคําติดมีเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความรักแล้วเนี่ยในการให้บริการกับคนที่เป็นลูกค้านะคะจะมีวิธีวางใจยังไงให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มัน มิชชั่นฉันคอม p l e t แล้วฉันทําให้เขาเป็นสุขใจด้วยแล้วฉันก็ไม่เครียดด้วยอะไรแบบนี้คมันมันมันดูแบบเกินจริงไปไหมคะหรือว่าสามารถทําได้ถ้ามาว่าทําได้นะคือถ้าเราถ้าเรามองว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขามีความทุกข์เขามีความทุกข์เรื่องอันคาเรื่องที่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็งานของเราเนี่ยมันคือการบริการที่จะช่วยทําให้เขาคนทุกข์ได้มันทาให้เราเนี่ยหนึ่งเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทําว่ามันช่วยทําให้ ปลดทุกข์ของผู้คนของเพื่อนมนุษย์แล้วขณะเดียวกันที่เรารับรู้ว่าเขามาด้วยความทุกข์เนี่ยเขาค่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันถ้าเราเกิดความสงสารหรือความเมตตาหรือกรุณาเมตตาคือย้ายเขาได้ดีกรุณาย้ายเขาบนทุกข์ใช่ไหมถ้าเรามองว่าเขามีความเดือดร้อนเนี่ยนะแล้วถ้าเราสามารถที่มองเรือไปถึงเบื้องหลังของเขาว่าความเดือดร้อนนี่มันหมายถึงอะไรใช่ไหมการเป็นหนี้ลูก สามีหรือภรรยาเนี่ยพ่อแม่ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าได้มีอาคารได้มีบ้านที่มันพอสมควรมันก็ช่วยปดเพิ่มความทุกเขาได้ถ้าเรามองด้วยใจแบบนี้เนี่ยหนึ่งเราก็จะเห็นใจเขาบางทีเขาอาจจะมีความกรายเกลียวที่มีความวิตกกงังวลเข า, า จ, จะมีอะไรจูตๆมาเนี่ยมันมาจากแรงมาจากความพู้ที่ผักดันเขาเราก็จะเห็นใจเขาเราก็เออเราก็จะให้อภัยเขาใช่ไหม และสองเมื่อเรารู้ว่าเออเราหน้าที่ของเราเนี่ยหรืองานของเราคือการบริการให้ช่วยเขาบรรเทุกเราก็รู้สึกว่างานของเราเป็นงานสําคัญใช่ไหมฮะมันถ้ามองอน่าง่ี้ชาวพืชคือเป็นการทําบุญแบบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความอดกลัน้นต่ออารมณ์ต่ออารมณ์ของลูกค้าเพราะเราเข้าใจเขาเรินใจเขาถ้าเดียวกันเราก็รักในงานของเราและเราทร้งงานของเราเป็นคุณค่า การพู้การจางเราเนี่ยก็จะก็จะเราจะใส่ใจมากขึ้นเพราะเราเชื่อคาพูดของเราเพียงแค่มีกีประโยชน์เนี่ยสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยสบายใจหรือว่ามีความหวังขึ้นมาีนีิอาตมามองนะว่างานของพวกเราเนี่ยจะว่าันไม่ต่างจากงานของพยาบาลหรือหมอซึ่งต้องช่วยเหลือคนไข้เพียงแต่ว่า ของเราเนี่ยของเราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยทุกเรื่องปัจจัยด้านที่พักใช่ไหมต้องการปัจจัยเสร็มมีนะมีอะไรบ้างเรื่องหงม อ, อ, อ, อาหารยารักษาโรคใช่ไหมฮะเราเทอร์ไสาเนี่ยสําหรับสำหรับคนป่วยเนี่ยเขามีความทุกข์ทางกายนะเขาต้องการยารัารกษาโรคและที่งๆเขาทุกข์มากมากกว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่พักสิเนี่ย แล้วเราจมาพูว่าว่าหมอหรือพยาบาลเนี่ยพยาบาลหลายคนนี่เขาก็สามารถที่จะรับมือกับกับกับคนไข้และญาติที่ที่ที่เอ่อเป็นทุกข์แล้วก็อาจจะมีอาการเอไอวายอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะที่จะช่วยได้วิธีที่เขาใช้รับมือเนี่ยกับคนไข้หรือญาติที่ที่บางครั้งเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า มีความมีความทุกข์มีความกรัดกรุ่มและเอววายเนี่ยวิธีนึงที่ช่วยได้คือการฟังเขาฟังน ะ, ะเราพบว่าคนไข้ที่โนคนไข้ที่ไวยวายคนคไข้ที่กลายเปี้ยวหรือย่าเนี่ ย, ยแค่ฟังเขาเนี่ยมันช่วยเขาได้เยอะนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทุกข์เขามีความทุกข์ใจเขาไม่ใช่แค่ทุกข์กายเขาทุกข์ใจ พาะก็ได้พูดเขาได้ระบายเนี่ยความทุกข์มันหายไปเยอะทำยังไงถึงจะฟังเขาได้การฟังนี่เป็นการเยียวยาแบบหนึ่งนะในขณะใ น, นขณเนี่ยตอมาเพิ่งอ่านเรื่องราวของของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งแกถูกยิงนะที่ที่ตายตาบอดในแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้มันมันเคยมีการต่อมันเคยมีการเหยียดผิวกันอย่างแรง แล้วคนดำานี่ถูกกดขี่มากจากรัฐบาลคนขาวซึ่งมปนคนส่วนน้อยคนดำก็สู้แล้วก็ถูกปราบปรามมีชายขุนหนุมคนหนึ่งถูกยิงนที่ตาบอดตั้งแต่เจ็บแค้นมากเลยนะแต่ว่าเมื่อเบนเ ด, ดล่าได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉัชั์นะและวิธีการที่เขาทำก็คือการเอาคนที่ที่ประสบความทุกข์ยากเจ็บแค้นเนี่ย ขึ้นมาขึ้นมาค่ า, ามามาบอกกล่าวความเจ็บปวดของเขาแล้วมีคนหนึ่งคนที่ตาบอดหนึ่งบอดเนี่ยเขาเหมือนหล้วจากที่เขได้พูดถึงความเจ็บปวดของเขาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้ตากับคืนมาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้พูดแล้วมีคนฟังได้พูดถึงความเจ็บปวดเขาแล้วเนี่ยหนึ่งมีเวทีที่จะพูดสองเขารู้ว่าความเจ็บปวดของเขาเมันมีคนฟังมันมีคนรับรู้นี่ขนาดคนที่ถูกเอาเปรียบกันแกล้งนะ เพีงค่ได้พูดเนี่ยมันก็สุดับไฟในอกหรือว่ายกภูเขาจากใจได้แล้วคนป่วยก็เช่นกันยิ่ยงลูกค้าที่ประสบความทุกจากเรื่องเนี่ยเรื่องที่วัวใสเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเขาได้พูดได้ระบายบ้างอาตมาว่ามันก็จะช่วยไปได้เยอะค่ะมีคำถามนะใขออนุญาตถามในคนที่หน่งนะครับแล้เวเยส่งไหมให้ขาา้า่าชินีพาุเพืนอคนับคำถาม ขอญาตเรียนถามอีกนะครับก็คืออย่างผมเองนะวันหนึ่งก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าคนอื่นแปดชั่วโมงก็นอนเราก็ไม่รู้เรื่องนะอีกสิบหกหกชั่วโมงก็ไปกับเรื่องจิตลาญหาไปเหลือสิบชั่วโมงก็อยู่ที่ที่ทํางานที่ทํางานเองก็ร้อยพ่อพันแม่มารวมกันทํางานเพื่อหวังผลสำเร็จของงานรับเงินเดือนซึ่งที่น่าอยู่ในห้องนี้ก็มีทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาคนอื่น อยากจะเรียนถามว่าเราจะมีวิธีการทํางานร่วมกันอย่างไงให้เกิดความสุขในการทำงานหรือเรียกว่าทุกน้อยที่สุดในการทํางานเพราะว่ามันจะสุขหมดเป็นไนไม่ได้อเอแค่ว่าให้ทุกน้อยที่สุดเช่นว่าเคารพซึ่งกันและกันเจ้านายก็ไม่ได้ด่าลูกน้องหรือทําอะไรที่มันเกิดเลยกว่าสิ่งผิดปกติหรือลูกน้องก็เคารพผู้ใต้บังคับผู้ผบังคับบัญชาว่าออไม่ใช่ก้าวโมก็ยังเดินช็อปปิ้งอยู่ข้างล่างงานก็ไปส่งไม่เสร็จตามเวลา อ, อยากจะเรียนถามว่าวิธีการในการที่ทัศนคติของไม่ว่าจะเป็นผู้บงังคับบัญชาผู้ใต้าบางังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วม ง, งานด้วยกันเองในการที่จะบริหารนี่สิบชั่วโมงที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันใครก็ไม่รู้เนี่ยเไม่ทราบว่าทางพระอาจารย์มีความเห็นว่าเราควรจะคิดอย่างไรหรือว่าปล่อยวางเรื่องไหนลงไปบ้างเพื่อที่จะให้สิบชั่วโมงของเราเนี่ยเป็นสิบชั่วโมงที่ทุกน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีความสุขตืข่นขึ้นมาในการที่จะ หลับไปอย่างมีความสุขตื่นขึ้นมาก็พร้อมที่จะไปทํางานเพราะว่าอย่างผมเองอย่างสมัยก่อนบางช่วงเวลาวันอาทิตย์เนี่ยเยนๆก็เตรียมชุดจะไปทํางานวันจันทร์แล้วหรือบางช่วงเวลาวันอาทิตย์ก็เตรียมจะลาพักร้อนวันจันทร์ก็มีเหมือนกันคือที่เกี่ยวกับคือไม่อยากจะไปเห็นที่ทางานถามว่าทุกอย่างเหมือนเจิทุกอย่างแต่ทำไมเราถึงได้คิดว่าไอ้วันจันทร์ฉันอยากจะไปวันอาทิตย์ฉันเตรียมชุดแล้วหรือวันจันทร์ฉันไม่อยากจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลาป่วยอะไรดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีวิธีคิดหรือแนวที่อย่างไรเล็กๆน้้อย่ทีจะให แต่แต่ละคนในฐานะของเป็นผู้วงค์ข้าบัญชาหรือผู้ใต้ผู้ข้าบัญชาเนี่ยเอาไปฉุกคิดบ้างบางเวลาที่ใช้เวลาร่วงกันสิบชั่วโมงในแต่ละวันาการถึงศุกเนี่ยเดี๋ยวผมถามคนที่หนึ่ง้วคนที่สองจะโฉบไหมเปยจะรวบรวมคําถามเดียวกันเลยนี่คะอันนี้จากก้นบึงผู้บริหารเลยนะฮะก้นบึงหัวใจนะเือป้าอยู่โยงนะคะ่ะ <laughs> คือขออนุญาตนะฮะงานที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับการประนอมนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาหาเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าที่มีความสุขเนี่ย อ, อย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะก็คือเราพยายามฟังเขาเราก็ฟังฟังเข้ามาตลอดแต่ว่าเราช่วยเขาไม่ได้ทีนี้เมื่อฟังหลายครั้งเราอธิบายด้วยกฎ ด, ด้วยเกณฑ์ของธนาคารเนี่ยเราช่วยเขาเขาไม่ได้นะฮะทำยังไงเนี่ยมันจะทําให้มีวิธีใดที่จะทำไม่ให้ใจเรารู้สึกรำคาญเขาคือคือหมายความว่า เราเราฟังเขาเราฟังเขาคือเราฟังเขานะฮะฟังมาตลอดฟังแล้วก็เห็นใจฟังแล้วก็เห็นใจแต่ว่าทำยังไงคือคือต้องบอกว่าก็คือมนุษย์ก็มีกีเลสคือฟังแต่เขาไม่ฟังเราทีนี้มันจะมีวิธีการหรือว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะช่วยปรับใจเราเนี่ยให้สามารถอดทนฟังเขาแล้วก็หรือจะทำยังไงจะแนะนำก็ยางไรเพื่อที่ให้เขาฟังเราบ้าง คือคือคอเพราะเราฟังอะฮะมาเขาก็จะมาหาเราเนี่ยมาหาหัวหน้าเนี่ยมหาหาหน้าเนี่ยแต่เราไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆแล้วเราเองเราก็ทุกข์ใจพอเราทุกข์ใจมากๆเขามาหาเราเนี่ยทีหนึ่ง2อสามชั่วโมงแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนจะทํำยังไงได้บ้างที่จะทําให้ใจเราเนี่ยมันมันไม่ต้องตั้งป้อมพอเห็นหน้าคนนี้เอาและหนีดีกว่าอะไรแบบเนี้ไม่ไม่อยากทำอย่างนั้นนะคะนี้ก็เลยจะอยากจะเรียนถามว่าอาจารย์ เราจะทำยังไงถึงจะทำให้ใจตัวเราเองเนี่ยอนิ่งแล้วก็อดทนคืออันนี้ถามแทนลูกน้องเลยเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างของลูกหนี้อะค่ะ ม, มีมีคำถามเพิ่มเริ่มหลายมากทา่าาน้องนะพระเจ้าค่ะทำ ง, งานอยู่ฝ่ายกฎหมายนะคะต่อจากงานพนอนี่นะคะก็หลังจากที่ลูกค้ามาพนออนี่แล้วเนี่ย เขาไม่สามารถชําระหนี้ได้ทางกฎหมายก็ต้องดําเนินการฟ้องคดีนะจคะคะส่วนตัวดิฉันเองนี่อยู่ดูแลคดีล้มละลายนะคะไปฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายเนี่ยรู้สึกว่าบาปเหมือนกันจะเรียนถามคุณเจ้าว่าลองทําเพื่อองค์กรเนี่ยจะมีส่วนบาปที่ฟ้อง เ, เป็นคดีล้มละลายเนี่ยเรารู้สึกว่าบาปเนี่ยแล้วจริงๆมันจะบาปติดตัวหรือเปล่าคะและที่สําคัญเวลาเข้ามาเนี่ย เข้ามาหาเรอกับเรานานๆอย่างที่พระคุณเจ้าบอกว่าให้ฟังเขาแต่ด้วยเวลาเนี่ยเราไม่สามารถจะฟังเขาคนเดียวในวันเดียวได้เพราะว่ามันมีลูกค้าหลายรายและก็คำว่าคือปัญหาของเขาคือไม่มีเงินน่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะปิดคดีได้เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเราออกแทนเขาเนี่ยเราก็คงแย่เพราะวันหนึ่ง ม, มีลูกค้าหลายราย ทำให้กับบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเราจิตตกรู้สึกเลยว่าเราเราไม่มีความสุขกับกับงาด้านนี้เลยมันมีแต่ปัญหาว่าทําไมทําไมมันอยู่ในหวัวมีวิธีที่จะทำให้เรารู้สึกจิตดีขึ้นไหมคะจากการที่เราคิดมากและจิตกตกตรงนี้ค่ะเรียนท้าวพระคุณเจ้าค่ะคะประมาณสามคำถามก่อนแล้วกันนะคะรอบนี้คือการดําเนินการฟ้องร้องเขาเนี่ยนะมันเป็นการทําไป ตามหน้าที่และเป็นการทำตามปฏิกาที่เป็นท้องต้องกันระหว่างเราซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารแล้วก็ลูกหนี้ลูกหนี้ก็รับรู้อยู่แล้วว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันมีปฏิกาว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องฟองอันนี้คือกฏิกาที่ทาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปเบียดเบียนเพืเลยนะเลยเพราะถ้าเป็นการที่เราทาไปตามหน้าที่ และกติกาที่มีร่วมกันใช่ไหมเหมือนกับคนที่ทุจริตนะทุจริตเนี่ยเราก็ต้องดาเนินการเราไม่มีความโกรธความเกลียดเขานะแต่ว่าเราต้องดาเนินการไปตามหน้าที่ไปตามกติกาเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องรักษากติกาหรือว่ารักษาธรรมะนะนะธรรมะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหลักการในความหมายนีย่คือหลักการที่ดีที่เห็นพ้องต้องกันว่ามันจะ จัดลงสังคมให้หรือองค์กรให้ราบรื่นได้ดีแล้วเมื่อเราทำเราเราจะเห็ น, หนใจเขาแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ต่อต่อหลักการหรื อ, ต, อ, ต, อต่อธรรมะเพื่อที่จะทำลงรักษาไว้ให้เกิดความสงบสุขในสังคมหรือในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำด้วยเจตนาดนะีเราต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยการทาความดีมันมีหลายระดับและบางระดับเนี่ยมันมันมันขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นลูกนะก็อยากจะมีเวลาที่ตอบแทนคุณพ่อแม่แต่ในยุคสมัยหนึง่งลูกบางคนก็หนีเข้าป่าเพื่อไปเปลี่ยนแปลงสังคมการที่เขาต้องการเปลี่ยนแกลงสังคมให้บป็นสิทธิธรรมเนี่ยก็เป็นของดีใช่ไหมแต่การการดูแลพ่อแม่ก็เป็นของดีแต่บางครั้งการดูแลพ่อแม่กับการไปเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยหรือทําให้สังคมเป็สิทธิธรรมเนี่ย มันไปด้วยกันไม่ได้ไมันขัดแย้งกันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วบางครั้งบางคนก็เลือกที่จะไปเข้าป่าเพื่อไปเปลี่ยนแปลงสังคมหรือไม่ต้องดูอันไกลคุณเป็นผู้จัดการแล้วคุณตระหนักว่าองค์กรตอนนี้กําลังแย่ธานาคารกําลังแย่จะเป็ยต้องมีการปลดคนงานจํานวนยกตัวอย่างสิบคนหรือร้อยคนถ้าไม่ปลดหน่วยงานองค์กรก็อยู่ไม่ได้ ใช่ไหมตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างการรักษาส่วนรวมเอาไว้นะกับการที่จะช่วยเหลือคนแน่นอนถ้ า, าว่าผลเขาออกไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีงานทำแต่ถ้าไม่โปรดรเขาองค์กรก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้มันเกิดปัญหาว่าเราจะช่วยคนอีกสิช่วยคนร้อยคนนั้นเนี่ยเพื่อให้มีงานทำไปตลอดกับการที่จะช่วยองค์กรให้อยู่ไปได้ตลอดเนี่ยมันขัดแย้งกัน ความดีมันกันเลยแต่เป็นความดีคนระดับตอนนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะใช้คุณจะคุณจะเอาความดีคุณจะรักษาวความดีระดับไหนใช่ไหมซึ่งบางคนเลือกว่ารักษาองค์กรที่อยู่รอบ ก, ก็ต้องปลดคนประมาณประมาณร้อยคนซึ่งกหมายว่าก็ไม่มีงานทําแต่นั่นก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเพาะอาจารยคิดว่าเรื่องการดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการติดเสืหรือการทําบาปโดยเพราะ ถ้าเราทำด้วยความซื่อตรงด้วยความมีสุิยุติธรรมด้วยความแฟร์นะอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะยอมรับได้และอาจจะมีหมายเหตุนิดหน่อยตรงที่ว่าออลูกนี้เนี่ย <c oughs> เขาทราบกติกานี้มาตั้งแต่ต้นบางทีเนี่ยจะเห็นว่าบางกรณีเนี่ยเหมือนเป็นเหยื่อของความไม่รู้อะค่ะคือรู้โดยไม่ตลอดด้วยกฎกติกาบางอย่างด้วยเงื่อนไขาบางประการเนี่ย เชื่อกลูกค้าอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เจอว่าอ้าวมันเป็นแบบนี้ เ, ล, เลยเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้อง <c oughs> ก็ว่าไปกรณีหนึ่งคราวนี้เรื่องการที่จ ะ, ะฟังนะฟังลูกค้าเนี่ยทั้งที่เราช่วยเขาไม่ได้นะอาตมานึกถึงหมอที่ต้องบอกข่าวร้ายกับคนไข้ว่าขอเป็นมะเร็ แล้วเขาจะมีเวลาอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหมอเนี่ยไม่มีปัญญาเลยนะที่จะช่วยเขาได้นะนะไม่สามารถจะช่วยเขาได้ในทางกายไม่สามารถจะช่วยให้โรคเขาหายได้แต่หมอยังสามารถทำอะไรได้อตัอง้งเยอะเพื่อช่วยในเรื่องทางใจใช่ไหมหลายคนเนี่ยเขาก็รู้เขาต้องเขาต้องตายแต่เขาพพิ่มรับความตายได้มากขึ้นจากการที่หมอพยาบาลได้ช่วยให้กำลังใจเขาใช่ไหม อาจมาที่ว่าของเราเนี่ยของคุณประนอมเรื่องประนอมนี้เนี่ยเบาวกว่ามีมีสถามีภาระที่เบาวกว่าหมอที่ต้องบอกข่าวร้ายกับคนไข้ที่กำลังจะตายใช่ไหมคือเราช่วยเขาไม่ได้ในทางนีิตนะินะนะเหมือนกับหมอที่ช่วยช่วยคนไข้ไม่ได้ในทางกายแต่คุณยังทําอะไรได้อีกเยอะในเรื่องการให้กําลังใจเขาให้ข้อมูลแนะนำเขาให้เขารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราช่วยเขาไม่ได้ในเรื่องนีิติ น, นี่แต่ว่าเราก็พยายามช่วยเขาในทางอื่น ให้กำลังใจเขาให้เขามีรูปทางอื่นที่เขาจะทําได้ใช่ไหมแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็สกบายใจเออคุณช่วยเขาไม่ได้ในเรื่องนี้ิสินแตมันหมดปัญญาแนละ้วแต่คุณยังมียังสามารถช่วยเขาได้หรืให้ความหวังเขาให้กําลังใจเขาแนะนำให้เขาสู้นะใ ห, ให้เขารู้ว่าชีวิตเขายังไม่หมดหวังถึงแม้คุณจะหมดถึงแม้คุณจะต้องเป็นนีตเสินแม้บ้า น, านมีนจะถูกยึดไปคุณก็ไม่ใช่ว่าชีวิตคุณจะจบคือทํานี้ได้เนี่ยใช่ไหม แล้วเพียงแค่คุณพยายามนะแล้วเขาเห็นความพยายามของคุณเห็นความตั้งใจของคุณอันนี้เหมือลูกค้านะถ้าลูกค้าเห็นความตั้งใจของคุณแล้วคุณพยายามช่วยเขาแม้คุณช่วยผลนี้เขาไม่ได้ใช่ไหมแต่คุณพยายามที่จะให้กําลังใจเ้าเขาก็จะเกิดกําลังใจรู้สึกดีอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ไม่ได้ปากพาระหรือว่าหรืออย่างน้อยคุณก็ใส่ใจเขาใช่ไหมคนไข้แล้วคนเโรคเาจะตายแต่เขาทราบซึ้งในน้ำใจของหมอว่า แม่หมอช่วยเขาไม่ได้แต่หมอนะให้กำลังใจเขานะหมอแคร์เขาเรื่องแบบนี้เนี่ยอตัตมาว่าคุณทําได้นะอยู่ในวิสัยที่คุณทําได้ในในขอบเขตของธนาคารคุณช่วยเขาไม่ได้ในใ น, ใ น, ใ, นในทางเงินแต่ว่ากำลังใจคุณช่วยเขาได้อันนี้ก็ต้องรักแต่ว่าคุณจะหาทางแนะนําเขาอย่างไรคราว น, ะนี้เรื่องความหนักใจน ะ, ะคือเราก็ต้องคิดนะว่า เราซึ่งเป็นผู้รับฟังเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเสียคุณเข้าใจไหมเขาว่าเสียเต็มๆเลยคือเขาเขามีเขาเขามีนี่เขาแก้ไม่ได้เราไม่มีอะไรเสียแล้วเราจะทุกข์ไปทําไมใช่ไหมฮะก็ฟังเขาไปเลยใช่ไหมใช้แค่เวลาทันทีใช้เวลาต้องคิอว่าเขาในทุกข์กับเราเยอะเราเนี่ยก็ยังทุกอย่างก็ยังมีปกติบ้า น, นเราก็ยังมีอยู่แต่เขาจะเสียบ้านใช่ไหมแล้วแล้วเราทำไมต้องไปทุกข์กับเขาก็ฟังเขาเนี่ยแค่ฟังเนี่ยมันก็ช่วยจะเดเสียเวลาทันอง แนอกนั้นไม่มีอะไรเสียใช่ไหเขาต้องหาที่ต้องเสียเขาถึงน่าเห็นใจไงแล้วเราช่วยเขาได้นิดหน่อยเอาฟังเข้าไปก็ใช่แต่แน่นอนฟังสองชั่วโมงคงจะคงเกิดไฟแนละ้วก็ต้องอก็ต้องพยายามช่วยทางอื่นอาตมานึกถึงนะอย่าว่าแต่อย่ยว่าแต่การเป็นการฟังก็เลยนะแม้กระทั่งการเป็นหนี้คนเนี่ยถ้าคุณวางใจดีๆก็ไม่ทุกนะเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าหลวงพ่อ มูลนิธิว่าสวนแ้เนี่ยของพ่อเนี่ยนะเป็นหนี้เขาเนี่ยหลายสิบล้านหลวงพ่อไม่ทุกขหลวงพ่อไม่เครียดเลยใช่ไหมไม่เครียดค่ะคนที่เครียดคือเจ้าหนี้มากกว่าใช่บอกเียไปทาไมคนที่ควรจะเครียคคด ค, ยคือเจ้าหนี้มากกว่าเราจะมีปัญญาใจาขเขาหรือเปล่านะหลวงพ่อไม่เครียดเราทำไมไม่เครียดหรอกนี่ขนาดคนเป็นหนี้นะเขายังไม่เครียดเลย <C ell ey> ใช่แลวเราแค่ฟังเขาเนี่ยทำไมเราต้องเครียดด้วย ใช่ะค่ะจริงๆเอาเรื่องของพ ร, ระพยอมไปเล่าให้ลูกลูกค้าเราฟังบ้างก็ได้นะคะตอนนี้เขาคำถามแรกที่ที่คุณถามนะเนี่ยสมาคิดว่าถ้าว่าเราทําให้หน่วยงานของเราเนี่ยอาจจะเป็นเป็นแผนกหรือเป็นฝ่ายเนี่ยนะมีความเป็นชุมชนมีความเป็นพี่เป็นน้องมีความเป็นเพื่อนก็ได้นะซึ่งหมายความว่าหนึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายร่วมกันคือเป้าหมายของฝ่ายเป้าหมายขององค์กรร่วมกันนะมีความแคร์กันมีความใส่ใจกันนะขณะที่มองไปข้างหน้าที่มองไปข้างหน้าด้วยสายตามองไปในทิศทางเดียวกันคือมิชชั่นของฝ่ายและขณะเดียวกันก็ใส่ใจคนที่อยู่ข้างๆเราความเป็นเพื่อนมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะากการที่เรามี ม, มีสายตามีมุมมองแบบนี้ซึ่งมันจะทาให้อ่ การทำงานที่มีความสุขจะมีการผิดนิดหนักหนักนิดหนักหน่อยนี ก, น ก, นนก็ก็พอจะให้อภัยกันได้นะและบางครั้งเนี่ยอาตมาคิดว่ามันมันก็จริงนะมันก็มีหลายหลายในหลายทีมก็จะมีคนบางคนที่น่าร่าอาใช่ไฮะอาจจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องแต่ว่าถ้าเราถ้าเราลองคิดว่าแทนที่จะใช้วิธีการแบบแรงมาก็แรงไปนะเขานินทาฉันฉันก็นินทาเขา เขาด่าฉันฉันก็ด่าเขาเนมันก็ไม่จบอาตมานึกถึงคนคนึ่งนะชื่อโจนจันไดรู้จักไหมฮโจนจันไดโจนจันไดเนี่ยสมัยก่อนเขาตอนที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาอยากรวยเหมือนคนทั่วไปเขาก็เลยไปทํางานในกรุงเทพเขาไม่มีความรู้มากเขาก็เลยเป็นแค่พ น, นักงานทำความสะอาดห้องพักของแขกในโรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกว่า ทันทีที่เขาได้ไปทํางานเนี่ยเขาเจอเจ้านายซึ่งเขาไม่เคยพบมาก่อนเลยคือเจ้านายนี้เป็นแม่บ้านดาอย่างเดียวเห็นหน้าก็ดาย่างเดียวก็าไม่เคยเจอผูงแบบนี้มาก่อนตัวก็ต้องทนเอามีวันนึงเจ้านายเนี่ยสั่งให้เขาเนี่ยไปเช็ดลูกิดประตูถูหรือดประตูขัดเนี่ยต้องใช้ประโ o ่นี่นให้ใช้ braso ชอบหยอก braso ใช่ไหม ก็คุมโจนโจนก็ขัดนะขัดก็วม่สอยู่แล้วเอดี MD เดินผ่านมาเอดี MD เห็นก็ตอบว่าโจนว่าเฮ้ยขัดได้ยังไงไอรูปดีแบบนี้มันใช้พระโซ่ไม่ได้ใช่ไหมแม่บ้านเขาเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งไว้แท้แท้เนี่ยแทนที่จะป้องปกป้องเขาออกหน้ารับแทนเขาเปล่าด่าเขาซ้ําว่าขั ด, ข, ดขัดได้ยังไงเนี่ยเธอขัดได้ยังไงโจนนั้นฉุนไปเลยนะแต่สับแว๊กนึงเนี่ย เขาก็ยกมือพนมมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอโทษครับนะขอคุณครับที่แนะนําขอคุณครับที่ตักเตือนและนับแต่งนั้นมาเนี่ยเวลาแม่บ้านของนิดาเขที่ไรเขาก็จะยกมือไหว้ขอบคุณครับนะทํานี้เป็นเดือนจนทั่งเพื่อนบ้านไอ้เพื่อนเพื่อนโรงงานเนี่ยนะพอไปเลือกันหาว่าไอ้ไอ้โจนเนี่ยโง่นะปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเนี่ยเล่นงานซ้ำเติมเราทําไม หรือบางทีเขาบอกว่าไอ้โจนเนี่ยมันมันบ้าแล้วนะถูกด่าดันกับยกมือไหว้เขาใช่ไหมเขาทำี่เป็นเดือนจนะทั่งวันหนึ่งเจ้านายเนี่ยแม่บ้านเนี่ยเรียกมาเรียกเข้ามาถามโจนว่าฉันสงสัยลระเกิดว่าทำไมเวลาฉันด่าเธอเนี่ยเธอถึงยกมือไหว้ฉันเธอถึงขอบคุณฉันใช่ไหมโจนบอกโจนก็บอกว่าผมไหว้แม่บ้านก็เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยเวลาด่าผมทีไรก็ทําให้ผมเนี่ยต้องกลับมาจัดการกับใจของตัวเอง ความโกรธความไม่พอใจนะและทุกครั้งที่ผมจัด ก, การกับใจงผมเนี่ยผมก็ใจก็สงบนะผมก็เลยขอบคุณแ ม, แม่บ้านแม่บ้านอันนี้มีความสุขในการด่าคนแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้นะจากการด่าของแม่จากการด่าของของแม่บ้านนับแต่นัวันนั้นมานะแม่บ้านไม่ด่ากะไเลยอยากจะไปยกมือไหว้คุณโจรจงตอนนี้แล้วตัวผมหลังจากนี <c oughs> ก้ <c oughs> ใครมาด่าก็ใครมา ใครมาไห ว, ว, วนะ้ถ้าเขายิ้มอย่างเดียวถ้าเขาว่าเขาก็ว่าถ้าเขาว่าได้เขาก็ว่าคือเห็นไหมคือแม่บ้านเนี่นะดา่าถ้าดา่าถ้าด่าเราเนี่ยเราทําไงฮะหลายคนก็เอาไปดินทาใช่ไหมหรือแม่ก็ตั้งป้อมสู้อเอาเสตาค่ะเอาเสตาใช่ไเออเอาขึ้นไปเลยแล้วก็ฟ้องด้วยเห็น <c oughs> ไหมแต่โจนใช้วิธีตรงข้ามนะยิ้มขอบคุณยกมือไหว้และเป็นแม่บ้านอย่งที่เลิก นะเลือกด่านะเพราะว่าแพ้ใจแพ้ใจโจร น, นะอาตมาคิดว่าถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เนี่ยในเวลามีความขัดแย้งที่ทํางานนะคือไม่ใช่ว่าแรงมาเราแรงไปนะนะเขาด่าเรามาเรานินเท้ากลับเนี่ยอาตมาว่าคนที่ทําตัวน่ารักคนที่ทําตัวที่ไม่น่ารักเนี่ยมันจะนิสัยจะเปลี่ยนไปเพราะแพ้ใจไงแนะม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ก็แต่ก็เชื่อมั่นว่าเป็นวิธีที่ดีกับทั้ง2ฝั่ง มันมันได้ผลมาเยอะแล้วนะฮะมีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเขาโกรธมากเลยเขาโกรธมากไอ้บ้านไอ้บ้านที่ติดกับเขาเนี่ยมันเป็นบ้านที่เป็นตึกที่กําลังก่อสร้างแล้วคนงานก่อสร้างเนี่ยชอบทิ้งขยะลงมาแล้วมันก็มากองอยู่ที่สนามหญ้าในบ้านเขาเขาก็ไปที่บ้านที่ก่อสร้างแล้วก็โวยใช่ไหมมันก็ไม่หยุดขูเรียกตำรวจมันก็ทําซ้ําดีทําเพิ่ม เขาดูทําไงมีคนแนะนําว่าเฮ้ยมีอะไรก็ไปให้เขาสงการานต์ปีใหม่มีขนมไปให้เขาใช่ไหม mm hmm. เขาก็ไม่เชื่อว่าทำ mm hmm. ทำแล้วมันจะดีเหรอแต่เขาทํานะนะวันปีใหม่ก็เอาขนมไปให้มีเทสกาลเขาอะไรไปให้เจอหน้ากันในปากเจอกันหน้ากันตรงปากซอยก็ทักทายคุยกัน oh. คุ้นเคยกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วนะปรากฏว่าพฤติกรรมนี้หายเลยไอที่อีกบ้าน <c oughs> มึงแทนไปม รู้ไม่หายทำไมถึงหายใช่ไหมฮะทำไมถึงเขาไม่ทําเลิกทำเพราะความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วทำทำให้เกิดความเกลียดใจคนไทยเนี่ยพอเป็นเพื่อนมัเกลีใจใช่ไหมฮะเล้วเลิกทําเองไม่ไม่ไม่ไม่ได้เอ่ยปากขอด้วยคใช่ไหมเพราะคือวิธีเนี่ยคือบางคนคิดว่าถ้าเราคนเราคิดว่าถ้าเพื่อนบ้านเป็นอย่างเนี้ยเราต้องเล่นมันเล่นมันให้หนักแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุด อาทำานเพ่นในองค์กรเนี่ยถ้าเราทำกันอย่างนี้ทำด้วยความจริงใจนะมันจะมีเรื่องน้อยลงมันความขัดแย้งจะไม่บานปลายแล้วมันจะรักกันมากขึ้นใช่ไหมเราทํางานจะมีความสุขเพราะทุกคนก็เป็นเพื่อนเราค่ะจริงๆอยากจะแชร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่าการรับฟังเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเองเพิ่งไปจ่ายภาษีเนื่องจากว่ายื่นภาษีไม่ทัน แล้วก็มีความทุกข์ว่าเราไม่อยากจะเสียเงิน8 0 0 0ักว่าบาทถึงหมื่นหนึ่งนะเท่าที่เราลองคํานวณดูนะคะเพื่อการนี้อะไรองี้นะคะไอเรื่องภาษีก็อาจจะไม่ใช่วิสัยแล้วก็อยากมีประวัติที่ดีพอไปถึงกรมสรรพากรเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคงทางหน้าที่คล้ายๆกับหลายๆท่านในที่นี้ก็ต้องให้บริการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับฟังดีมากเขาเห็นถึงแหววตาที่เรารู้สึกก็าจจะอ้วนยังไม่อยากต้องจ่ายเงิน8 0 0 0ักว่าบาทในทันทีนะเขาก็ค่อยอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นหลักการ ว่าระดับรายได้เท่านี้คิดคำนวณจากอะไรที่ผ่านมาเราถูกหักเพราะอะไรยังไงบ้างค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนมันได้แค่ไหนอะไรไงตรงนู้นได้ตรงนี้ไม่ได้จนเราค่อยๆ ย, ย, ยอมรับนะคะอาจารย์แล้วเรารู้สึกว่าก็ได้ 8,3 ดพโอเคก็จ่ายเลยเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายจ่ายไปแล้วก็สิ่งที่มันท้าทายเราอย่างก็คือว่าก็ต้องมีบวกค่า ب, อะไรนะคะค่าจ่ายเงินเงินเพิ่มค่าปรับอะไรต่ออะไรท้าเบ็ดเสร็จ 8,000 กว่าบาทเขาทอนเงินให้เกินค่ะ ก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะเฉยๆไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นค่าลถหย่อนไปเลยดีไหมแต่ใจนั้ก็ทําไม่ลงเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามเฝ้าเพียงฝังเรารับฟังเราช่วยเราหาเอกสารช่วยเราก่อข้อมูลมีความเป็นมิตรกับเราเนาะเราก็รู้สึกว่ า, าจะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วเงินหายไป200อได้อย่างไรในเย็นแบบนี้ก็เลยตั้งใจเต็มอัตราไปด้วยความสบายใจค่ะ ให้เจ้าหนาทีด้วยนะคะเจ้ี่ขิงสุดยอดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่ายังมีคําถามหรือเปล่ามีมีด้านหลังใช่มไหมคะขาดเชิญค่ะจากที่พระอาจารย์เล่าใหฟังเมื่อกี้ครับที่บอกว่าได้มีการจัดการใจกมอยากถามว่ามันมีแนววิธีปฏิบัติอย่างไรครับเพราะในการจัดการใจของเราเยให้มันสามารถที่ยอมรับในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ครับ มันรู้ทบทันในสิ่งที่เเช่นความโกรธในวันนี้ครับตระหนัวกว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับการทํางานเนี่ยนะโดยเฉพาะอดีตคำถามที่คุณพูดมานสติเนี่ยสําคัญมากเลยจำเป็นมากเลยเพราะว่าเวลาโกรธเวลาเราหโมโหเวลาเราเครียดเราไม่รู้ตัวว่าเราโกรธเราโมโหแล้วเราเค ร, รียดและที่จริงแล้วเนี่ยสายเหตุความโกรธความเครียดของเราเนี่ย มันก็เพราใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ใจเรามางจะไหลหไปอดีตบ้างนะไปนึกถึงเหตุการณ์ที่จ็บปวดบ้างไปนึกถึงคําต่อว่าดาทอที่ผ่านไปแล้วบ้างใจเราไม่ยอมให้มันผ่านไปจากใจก็ยังยังไปยึดไปไปนึกถึงมันหรือไม่ก็ไปนถึงอนาคตนึกถึงวันนึกถึงว่าจะต้องจ่ายหนี้เมื่ อ, อไรนึกถึงางานที่ข้างค้าอยู่ไม่เสร็จสักทีหรือบ่ายนี้เนีย่ยต้องไปเพลเซ้นแล้ว เราจะไปพิเศอะไรเลยเนี่ยลองฟังไปก็ฟังด้วยความกังวลนะคุณจะสังเกตนะเวลาเวลาเครียดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้เครียดเพราะงานที่เราทํำเฉพาะเราเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราโกรธเวลาเราเสียใจเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้โกรธเสียใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรากำลังเศร้ากับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่เรายังปล่อยวางไม่ได้หรือว่าการทํางานในส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเครียดกับกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อไหรจะเซ็ตเมื่อไหรจะเซ็ตนะจนถึงแบบนี้ งานค้างอีกตัวห น, นึ่งกองนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่มีสติทั้งนั้นเลยใจไมไ่อยู่กับปัจจุบันเพียงแค่ใจคุณอยู่กับปัจจุบันคุณดึงจิตกลับมาอยู่กับงานที่ทำนะแล้วก็วางงานที่ค้างเอาไว้ก่อนเรื่องอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อยเพิ่งไปนึกถึงมันนะคุณจะเครียดน้อยลงพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องวางแผนนะวางแผนวางแผนให้วาแผายดีถ้าคุณวางแผนดีเนี่ยคุณจะปล่อยวางได้ง่าย เช่นถ้าคุณวางแผ น, นทั้งอาทิตย์ทั้งทั้งอาทิตย์ไว้ดีแล้วเนี่ยนะว่ามันจันทร์ทำอะไรอังคารทำอะไรพุทธทำอะไรเนี่ยเวลาคุณทเวลาคุณทำงานบางจันทร์คุณก็ลืมมันอังคารมันพุทธได้เลยคุณก็จะรู้สึกว่าความพารานี่มันเบาลงใช่ไหมฮะเนี่ยครนี้พอเรามีสติรู้ทันเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าใจเราถ้าถ้าเราไม่คิดไปถ้าความคิดเราไม่ฟุ้งซ่านมากเนี่ย ไอ้ความเชื่อความกังวลมันจะมาจากไหนนะมันมาจากความคิดพุ่งซ่านเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งการคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขานี่เขาเข า, เ, าเขาไปเที่ยวแล้วแต่เราต้องมาทํางานเขาเลิก ง, งานแล้วแต่เราต้องมาทําอยู่หรือว่าทําไมก็ทํางานบาวกว่าเราเราทำไมทำงานมากกว่าเขาไม่ใส่เลยไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมไปใหญ่เลยไม่ทันจะทําอะไรลแล้วก็เครียดนะใช่ไหมแต่ถ้าคุณวางไอ้เรื่องที่ผ่าน ไปแล้วก่อนอะไรที่มาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปคิดมันแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจว่าใครก็ทําอะไรคุณก็ทํางานคุณไปนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเรื่องที่ตมาชอบเล่าบ่อยแล้วก็มันเป็นเปรดที่ดีมากตมาอาจจะเคยเล่าให้ที่นี่ฟังแล้วก็ได้นะประมาณสัก4ี่หปีก่อนมันมีรายการโทรทัศน์ของ p นะีดีเอนชื่อรายการพลเมืองเด็กใช่ข้อเด็กสามคนเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะออกทุกอาทิตย์นะแล้วก็แต่เด็ก3มคนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กทําเช่นเลี้ยงมา้ทาทําความสะอาดห้องเรียนคราวนึงเนี่ยก็เอาเด็กมามาช่วยเป็นขนรถขนของขึ้นรถไฟเด็กก็ยุบมาสิบเอ็ดสิบสองสิบสาเนีนะ่เด็กผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองรถไฟมีเราที่แน่นอนท่านต้องรีบเป็นขนต้องรีบช่วยกันขนบอกกัว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมติตรงจ่อหอยรู้จักใช่ไหมขึ้นชกนะขึ้นชก ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้คล้ายๆแบบปลาเกี่ยวกับฟรอยนะโอ้ยคล้ายๆไม่อยากจะดูนะ <l ots> เด็กสองคนเนี่ยก็แวบไปดูโทรทัศน์มีการถ่ายทอดสดบ่ายวันนั้นก็ทิ้งให้เพื่อนทําคนเดียวแต่เพื่อนเนี่ยผู้หญิงคนเนี่ยแกก็ขนังแกไปแกไม่มีทีท่าจะจะจะกู้อะไรเลย <l ots> พี่ิกรก็ไปถามว่าหนูคิดยังไงที่เพื่อนเข า, เอาแอบไปดูแอไปดูมวย เด็กก็ตอบว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนะนานๆจะเห็นสมจิตขึ้นชกนั้นเขาจะไปดูบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ใช่แฟนสมจิตใช่ไหมพฤติกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็ถามแย่ว่าหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งานให้หนูทํำคนเดียวเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่ารู้คนของคู่รักฝ่ายหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างใช่ไหมคนฉลาดนี่จะเหนื่อยกี่อย่าง จะเหนืยกี่อย่างถ้าจะเหนื่อยใช่ไหมคนฉลาดจะเหนื่อยสองอย่างนะก็เหนื่อยอย่างเดียวหยุดทํางานแล้วไปด่าเพื่อนอก็แต่สุดท้ายก็ต้องมาขนใหม่นะแล้วคนฉลาดนี่ก็จะเหนื่อยเดียวคือว่าเหนื่อยกายแต่ใจก็ไม่เหนื่อยเพราก็ไม่ปวดไม่ไม่ด่าว่าเขาแต่คนส่วนใหญ่เหนื่อยกิ่อยาใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าใจทําไปก็นึกถึงเพื่อนไปเวลาเวลาคุณเวลาเด็กขนรถไฟนะ ผลไปแล้วใจก็นึกถึงเพื่อนนะแล้วเห็นเพื่อนมันสบายเนี่ยก็ไปด่าเพื่อ น, นในใจอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรือ่อไม่มีสตินะฮะใจไม่ไอยู่กับปัจจุบันแล้วใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคุณจะทํางานเคลืนได้ซ้ำใช่ไหมแต่แน่นอนน ะ, ะเมื่อเสร็จงานแล้วไอ้ต้องไปสาสางบัญชีกันว่า <c oughs> ทําไมอู้งานทําไมปลให้ฉันทํานเียว น, นี้โอเคนะแต่ว่าแ น, น่นอนที่เราทํางานเนี่ยตระมาว่าโดยทํานยมีความสุขใจเรอยู่กับปัจจุบัน เห็นไหมฮะว่าจริงเจอแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องานเองเนี่ยมันไม่ทําให้ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะว่าอะไรแวะใจแวบไปนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงวันนั้นนึกถึงสิ่งที่มาไม่เกิดขึ้นหลายคนนะมาบอกเนี่ยมาบอกตมาเวลาทํางานเนี่ยนะใจก็นึกถึงลูกห่วงลูกเลยทํางานไม่มีความสุขไม่มีสมาธิเลยเวลากลับมาบ้านแทนที่ใจจะนึกถึงลูกก็นึกถึงงานห่วงงานใช่ไหมฮะ เวลาทำงานเนี่ยห่วงลูกใช่ไหมเวลากลับมาถึงบ้านแทนที่จะอยู่กับลูกใช่ไามด้วยใจเต็ม้อยนะก็ห่วงงานนะเวลาจะหลับก็ต้อถึงงานนอนไม่หลับเวลาไปทํางานก็เลยง่วง น, นอนเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเต็มที่เลยแก้ปัญหาในงานทีเดียวเวลาทํางานใจอยู่กับ ง, งานไม่ต้องนึกถึงลูกลืมลูกไว้ก่อนเวลากลับมาถึงบ้านใจก็อยู่กับลูกเต็มร้อยงาน วางเอาไว้ก่อนอที่ยมบอกว่าทุกวันนี้ทำงานสิบชั่วโมงนี่จริงไม่ใช่นะครับทํำงานเวลาสิบชั่วโมงได้สามหรือสิบหชั่วโมงเพราะว่ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็ยังนึกถึงก็ยังนึกถึงงานอยู่ใจยังนึกถึงงานอยู่อยู่กับลูกเนี่ยกินข้าวกับลูกนะใจก็นึกถึงงานนะบางทีงานก็โผล่มาทาง Facebook มาทางทางไลน์ก็มาก็มีอนี้นะแต่ถึงไม่มานลใจหนึ่งคิดนี่ยนะถ้าทำสิบชั่วโมงนะทำจริงจริงนะก็หมายความว่ า, วา พอกลับมาบ้านนะก็ปิดสวิตซ์เรื่องงานปิดปิดลิ้นชักได้ mm hmm. เปิดลิ้นชักใหม่ก็คือเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่ใช่ไหม mm hmm. พอไปทํางานก็ปิดลิ้ปิดลิ้นชักลูกเปิดลิ้นชักงานอาอมาว่าแค่เนี้ยความเครียดก็น้อยลงไปเยอะเลยจะทําี้ได้ก็แคสตินะฮะเพราะว่า mm hmm. ถ้าคุณมีสติคุณเปิดลิ้นชักม่วนั้งหมดเลย mm hmm. ใช่ไหม ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับมีประเด็นที่อยากจะชวนพระอาจารย์เนี่ยลองพูดคุยกันต่อนะคะคือถ้าเราอยู่กับงานที่เราไม่ได้เลือกไม่ได้รักเนี่ยโอกาสที่เราจะมีความสุขหรือว่าอยู่กับมันได้เนี่ยมันมันคงยากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสมมุติว่าเราทํางานอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามีความคาดหวังในเรื่องอื่นๆไปด้วยว่างานนี้มันไม่ตอบโจทย์เราเลย เราอยู่เพื่อว่าเรารอรับเงินเดือนเราต้องการความมั่นคงบางอย่างเราต้องการอะไรบางอย่างจากงานที่เราทำเพียงเท่านั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเราจะทําให้เราเหมือนกับเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถก้าวข้ามแล้วก็อยู่กับความสุขที่แท้จริงในการทํางานได้ดูหรือเปล่าคราับรว่าต้องต้องตอบสองช่วงนะช่วงที่ทํางานเนี่ยนะจริงอยู่เราไม่ได้เลือกงานนี้และเราก็ไม่ได้รักตั้งแต่แรกแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยก็ต้องรักมันให้ได้ รักมันให้ได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ผลไม่อัวไปกับมันก็อาจจะเหมือนกับใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักแต่แต่งงานแล้วก็ต้องรักเขาละนั่นเปลมปกตินะแต่ว่าเอซึ่งอาตมาคิดว่าทําได้อาตมาเนี่ยเคยผ่านงานหลายอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้รักมาตั้งแต่แรกแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะรักมันวิธีที่ทําให้เรารักมันได้คือการที่เราเห็นคุณค่าของงานนั้น ถ้ารื่อคุณค่าของงานนั้นเนี่ยความรักมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นโดยโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยปริยายทีละนิดทีละนิดนะเพราะนั่นเนี่ยันท่าเนี่ยถึงสำคัญนะและสมาธิว่าปลุกใจให้รักในงานนั้นถ้าเป็นสัมมาชีวะแล้วเนี่ยนะในการในงานที่เราทำเนี่ยเราสา ม, มารถจะรักเรารับในงานนั้นได้นะแล้วครันี้เนี่ยโอเคนะเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเรา เมื่อเราทํางานนั้นเสร็จเนี่ยนะเราต้องมองพิจารณาว่านี่คืองานของชีวิตเราหรือเปล่านะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมอย่างโจนจันใดเนี่ยเขาก็พบว่าเหตการที่ไปเป็นพนักงานโรงแรมมันไม่ใช่งานของชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับการทํางานในโรงงานในโรงแรมใช่ไหมแม่บ้านก็รักเขาใช่ไหมแต่ว่าถึที่สุดแล้วนั่น ไ, ไ, ไ, ไม่ใช่งานที่เขาเรไม่ใช่งานแห่งชีวิตเขาก็ ออกไปอยู่ชนบทใช่ไหมแต่ขณะที่เขาทำงานที่เขาไม่ชอบเนี่ยคือในโรงแรมเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขเขาก็สามารถที่จะปลกใจให้ให้พึพอใจการทำงานได้ซึ่งเคล็ดลับอันนึงก็คือความรักในงานอัตมาคิดว่าความรักในงานหรือฉันท่าเนี่ยมันถ้าเราถ้าเรามองให้มันทะลุ ป, ปลุกโปรงแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้ เรื่องที่ธรรมาชอบเล่อยู่เสมอคือเรื่องของช่างก่ออีก3ามคนนะนะก่ออีกใกล้ๆกันคนหนึ่งก่อไปนะก็สักพักก็หยุดไปสูบบุหรี่สูบแบบอู้เฉย ช, ชานะเสร็จแล้วค่อยยื่งย่างเข้ามาก่ออีกใหม่คนที่สองเนี่ยก็ทำงานรวดเร็วฉ็อไวขึ้นหน่อยแต่ว่าทำไปก็ดูนาฬิกาไปเพราะตอนนั้นมันสีโมงเย็นแล้วใช่ฮะ คนที่สามเนี่ยทํางานขยัขนแข็งแรงมากโอ้ยเหงินนี่เต็มหลังเลยนะแต่ก็ดูทําให้อยู่แล้วถ้าทางกระตือรู้เร้นมากเมื่อไปถามคนแรกว่าเขาทาอะไรก็ตอบว่าเขาผมกำลังก่ออีกครับถามคนที่สองก็ตอบว่าผมกําลังก่อคอนแพลนครับถามคนที่สามเขาตอบว่าผมกําลังสร้างวัดครับเห็นไหมจากที่อาตมาเล่าเนี่ยใครมีความสูงในการทำงานมากกวากันนไคนที่สามใช่ไหม เขาก็มีความสุขในการทำงานเพราะเขเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ก่ออิฐไม่ใช่แค่ก่อกําแพงมัคือการสร้างวัดและวัดการสวัสดคือการทําบุญคือการอุปธรรมพุทธศาสนาเขาเห็นคุณค่าของงานที่เขาทำนะเขาถึงมีความสุขเขาถึงมีใจรักนะเหนื่อยนะแต่ว่าสุขนะเหนื่อยกับความสุขมันไปด้วยกันได้นะไอ้ไม่เหนื่อยแต่ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆันตะอนายคิดว่าถ้าอันนี้มันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน เวลาคุณทำเนี่ยถ้าคุณมีวิสัยทัดไกลเนี่ยคุณก็จะรู้ว่างานที่คุณทํามีคุณค่านะทำงานทออศเนี่ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์ว่าเออเรากำลังช่วยเขาปลดทุกขนะ์นี้ไม่ใช่แค่ ง, งานอาชีพนะนี่ไม่ใช่แค่ว่าทํางานเพื่อมาหารถผ่อนบ้านหาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถนะเรามาทํางานเนี่ยเราได้ช่วยคนด้วยไม่มีการได้ช่วยปลดเรื่องความทุกข์ของผู้คนเพื่อมนุษย์เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งเราก็จะเกิดความมุ่งมั่นกันแข็งในการทํางานเราก็จะเกิดความสุขในการทํางานเรายินดีที่จะฟังเข้ามากขึ้น นะคือมันอยู่ที่วิสัยทัศน์นะมีมีเรื่องเล่านะว่าเมื่อสัก50สิกว่าปีก่อนเนี่ยเราคงทราบใช่ไหมว่าประเทศประเทศแรกที่ส่งยนานอวกาศไปโคจรรอบโลกเนี่ยคือรัเสเซียไม่ใช่อเมริการัเสเซียพออเมริกาพอรู้เนี่ยโหเสียหน้ามากเลยนะโดนรัเสเซียแซงไปแล้วก็เลยตั้งองค์การนา s าขึ้นมาเคนรีประกาศเลยว่าอเมริกาเนี่ยนะ ภายในยี่สปีหลังจากนี้ไปเนี่ยคือวันจาะพีนเก้ารอนี่นะอเมริกาจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นวาระแห่งชาติเป็นเรื่องใหญ่มากก็มีเรื่องเล่าว่ามีนักข่าวหนึงไปที่องค์การนาซาเนี่ยประมาณช้าตู่เลยก็เห็นแม่บ้านคนนี้นกําลังขัดถูดทาาําความสะอาดแกกระตือรือร้นดดมากแกไปแต่เช้ามันไปก่อนเวลา ง, งานนะคุยไปคุนมาเนี่ยแกก็แปลกใจนักข่าวแปจะทําไมแม่บ้านแกมีกระตือรือร้นดดในการทํางาน คุยไปคุยมาแม่ว่านกับวางเนี่ยแกกาลังช่วยให้อเมริกานเนี่ยไปถึงดวงจันทร์ไอ้กวาดบ้านเนี่ยนะไอ้ขัดถู น, นี่นะคือการช่วยให้อเมริกาไปถึงดวงจันทร์โอ้โหวิสยัยท้ศน์ไกลมากเลยนะใช่ไหมแค่กวาดบ้า น, นแค่ขัทดถุนแค่ทำความสะอาดนี่นะแกมีความรับผิดชอบพกใจเห็นเลยนะว่าสิลงที่แกทำเนี่ยมันเป็นการช่วยให้ประเทศอเมริกาไปดวงจันทร์ท่นานที่ ไอ้สิ่งที่การทำเนี่ยมันมนวยมันก็เป็นเฟืองเล็กๆน้อยๆใช่ไหของเครื่องจักรที่ใหญ่มากแต่สลาแกมันมีคุณค่ามีความหมายเนี่ยไอ้เนี่ยคือการที่จะมาเรียกว่าเป็นคุณค่าของงานซึ่งต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและถ้าคุณเห็นคุณค่าของงานแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขในงานใช่ไหมถึงแม้จะไม่ใช่งานที่คุณรักตั้งแต่แรกแต่พอคุณลงมาลงมือทําแล้วเนี่ยคุณก็จะรักมันได้ง่ายขึ้น มีคำถามจากตรงไหนกันไหมคะค่ะเชิญนิรันดรครับน้ำมศการรอาจารย์ไพศาลครับผมอำนาจผลสิริครับก็จริงๆแล้วก็คงนิดเดียวนะครับประเด็นสั้นๆก็มีอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งความทุกข์ความสุขประสมกันแต่สิ่งหนึ่งทุกคนจะมองเห็นว่า ความทุกข์ที่มันเกิดกับตัวเองเนี่ยมันใหญ่โตนะครับแล้วก็จะถามเฉพาะแต่เรื่องความทุกข์นั่นนะฮะดังนั้นแล้วประเด็นนี้ผมให้ขอถามนะครับก็คงคงคงจะดูว่าในมุมมิติของของความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการทํางานที่มีความสุขในการที่อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขตรงนี้ นะครับวิธีการทําอย่างไรให้เราวางใจในการอยู่กับความสุข ต, ตรงนั้นได้อขอให้พระอาจารย์ช่วยช่วยแชร์ตรงนี้ให้ใ ห, ให้กับพวกเราได้ได้ดูแล้วก็วางใจตรงนี้ให้ถูกวิธีครับขอบคุณครับก็จะมีคำพวูดว่าคนเราเนี่ยรักสุขเกลียดทุกนะแต่ต้องบกพื่ว่าเป็นเพราะรักสุขเกลียดทุกนี่แหละ ที่เป็นตันธ์เพราะว่าพอเรารักสุกแล้วเนี่ยเวลาสุกมันการคลายไปเราก็ทุกช่วยไหมฮะและพอเราเกลียดทุกเวลาเจอทุกเนี่ยทุกอาจจะเป็นทุกเล็เล็กน้อยนอยเนี่ยพรความแต่เพราะเราเกลียดมาแล้วเนี่ยเราก็เลยเป็นก็เลยมีความทุกข์ก็ไปใหญ่เลยความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดจากการที่ไม่ใช่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนะแต่มีที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไร เสียงดังในห้องเนี้ยสมมติเป็นเสียงเสียงเสียงดนตรีเสียงเสียงโทรศัพท์ไม่นอาจะเป็นเสียงที่เพร้อมากเลยนะแต่ว่าหลายคนพอได้ฟังเสียงนี้เนี่ยจะไม่พอใจจะงุหงึดอีกเพราะอะไรครับเพราะใจไม่ยอมรับพอใจไม่ยอมรับเนี่ยนะมันเกิดการผลักไสมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยแต่พอเราทําใจให้ยอมรับมันได้เนี่ยเสียงนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้นะ เวลาเราเกลียดใครนะคนนั้นจะมีที่คนต่อจิตใจงเรามากพราะจะมีเคราะง์งับเขาจะมจะมีมมมน่าเคราอห์จิตใจของเราแต่พอเราไม่เกลียดเขาแล้วนะเร า, นะเราเใช้ใช้เขาเนี่ยเขาทาอะไรเราเราไม่ได้เลยมีคนก็เปรียบเทียบ ว, ว่าความสุขเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงที่เรารักคนผู้ที่เป็นผู้ชายนะความสุขเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงที่เรารักแต่เขานันไม่รักเราใช่ไหเราพยายามที่เข้าไว้แต่เขาก็พยายามถอยห่างส่วนความตื้อคนที่ชอบมาตื้อเรา เรพยายามผลักเขาไปแต่เขายิ่งผลักเขายิงมาหานะถ้าทีที่ควรทำยิงต่อสุขและทุกข์คืออะไรก็คือวางใจเป็นกลางสุขก็ไม่รักทุกข์ก็ไม่เกลียดนะแล้วคุณจะพบว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยเพราะทันทีที่คุณไม่เกลียดทุกขนะ์นะเสียงดังนะแดดร้อนมันก็รัดแต่กายนะมันก็แค่มี สิ่งมาะระคายหูเท่านั้นเองแต่ใจคุณไม่ทุกข์นะมันอยู่ที่ท่าทีของเรามากกว่านะต่อสิ่งนั้นเมื่อกี้ตมาพูดถเรื่องนกบินอวกาศนะชาวรัเสเซียก็มีคนหนึ่งเนี่ยแกแกเล่าว่าแกเคยไปบินบินอวกาศเนะี่ยรุ่นแรกเลยนะตอนที่อยูอย่เหนือโลกเนี่ยโหแกบนโน้นเนี่ยนะมันสงบมากแล้วมองออมาข้างหน้าเห็นเห็ น, หนดาวโลกสีครามมันสวยมาก นะสงบและสวยแกก็ดื่มดังกับความสงบนั้นไม่เคยเจอความสงบแบบนี้มาก่อนแต่สักพักมันมีเสียงดังเลยกระทบกั น, นแต่มันแรงกว่านี้นะแล้วมันถีก่กบ่านี้คล้ายๆเสียงเสียงเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะแต่เสียงมันไม่พอเสียงมันสาบมากแก้ก็พยายามหาเสียงนั้นมาจากไหนผ่านไปห้าทีจนบาทีแกหาเสียงนั้นไม่เจอ นั่นหมายความว่าเสียงมันก็ดังขึนเรื่อยๆแล้ เ, เสียงมันก็ดังอยู่ดูอย่างนั้นแหะเจนึกต่อไปว่าเนี่ยถ้าแกต้องเจอเจอเสียงนั้นเนี่ยชั่วโมงหนึงหรือว่าตลอดทริปเนี่ยแกคงคุ้มคลั่งแน่นอนแกคงรู้สึกอัดมากเลยแค่คิดเนี่ยแ ก, ก ร, ยแรู้สึกกระวนกระวายแ้วรู้สึกใจมันมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยแล้วแกรู้สึกขึ้น า, าฉันจะอยู่กับเสียงนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าตัวเสียงมันจะดังตลอดเวลาสักพักหนึ่งแกได้ฉุกเฉินขึ้นมาว่าไอ ถ้าเสียงนั่นจะต้องดังแบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยทําไมเราไม่ลองรักเสียงนี้ดูเมือม่อมื่อเมื ja, ม่ก ja, ็เรื่องงานเลยนะถ้าในเมื่อเราต้องทํางานต้องทํำงา น, นทําไมเราไม่ลองรักงานนี้ดูแกก็ลองคิด ท, ทาไมเราไม่ลองรักเสียงนั้นดูแกก็ต้องกลับตาแล้วรจะตามลมหายใจด้วยมนะั้งแล้วก็จินตนาการว่าเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเพลงพอจินตนาการว่าเสียงเป็นเสียงเพลงเนี่ยแกก็หายใจแกก็ผ่อนคลาย ก็ผักใหญ่เนะพอแกลืมตาขึ้นผมว่าเสียงหายไปแล้วปฏิหาจริงจมันไม่หายนะแต่มันกลายเป็นเสียงใหม่ในความเสื่อมแกก็คือเสียงเพลงเสียงนี้ไม่หายใช่ไหมแต่ว่าพอแกไม่ผักสายมันพอแกไม่ผักสายม ไ, มไม่เกี่ยมมันเสียงมันก็มันไม่มีความหมายต่อต่อแกต่อไปเห็นไหมฮะคื อ, อคนเราเนี่ยนะ อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญตั้งแต่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรคุณเป็นมะเร็งแต่คุณเห็นประโยชน์ของมะเร็งคุณก็จะบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งแต่ถ้าคุณถักสายมันแม่คุณจะเป็นสิวผิวห้งมนแตกปลายคุณก็เป็นทุกข์มันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็บางคนนี่เป็นมะเร็งนะหลับสบายแต่บางคนเป็นแค่สิวเป็นสิวเนี่ยนะนอนไม่หลับก็ะสับกระสายเพราะอะไรฮะไม่ใช่ว่ามนไม่เกี่ยวกับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไร เพราะออนั้นเนี่ยตราคือว่าถ้าเราเจอทุกเนี่ยเราอย่าไปเกียดมันแค่ทำใจยอมรับมันก็พอแนละ้วเวลามีความสุขเราก็อย่าไปหลงรักมันมากเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงนะฮะถ้ามันเที่ยงรล่ามันไปเถอนะจะแต่ว่ามันไม่เที่ยงเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปรักมันมากนะก็แค่รับรู้มันก็พอคือไม่ยึดติดกับมัน ก็อาจจะเป็นข้อคิดที่ดีนะคะเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานะคะกลับไปก็จะลองอยู่กับเสียงกระหึ่มของหมอนหลังข้างบ้านย่งไม่เต็มเลยพี่อย่างมีความสุขกับมันเต็มเลยพยายามอยู่นะน้องแมนไม่หวานเดี๋ยป็นแดนด้วยนะคะก็คือวันนี้เนี่ยนอกจากแนนได้ได้มีโอกาสได้มาถามแทนพี่ๆแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ทํามันกลับไปด้วยนะคะอันที่แนนรู้สึกว่า น่าจะได้ใช้ใง่ายๆเหมือนกันก็คือสมมุติว่าสมมุติว่านะคะเรามองอะไรก็ตามเนี่ยเราเป็นนางงามค่ะเราโลกสวยค่ะเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะงานของเราไม่ใช่งานรับใช้แต่ว่าเป็นงานที่ไปช่วยเขาอันนี้ข้อหนึ่งข้อ2คือเรารักเจ้านายมากพอที่เราจะไม่กินเวลาเจ้านายด้วยการบอกว่า อ, อะไรอย่างงั้น <c oughs> คือเก้าโมงเปิดแบบ เอาหน้าเลยค่ะมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนกับว่าเพราะว่าเราเกรงใจก็คือแนได้คําว่าเกรงใจมานะคะเมื่อเราเกรงใจเจ้านายเจ้านายที่น่ารักเนี่ยก็ต้องกรงใจเราอยู่แล้วเนาะยิ่งแบบหัวเขาดูขยันขนาดนี้ ฉันก็ไม่กล้าสั ง, งอะไรเขาเยอะแล้วเขาดูคุมพื้นหน้าที่ด้วยดูรักงานด้วยบน <Facebook S 1> เฟซบุ๊กของน้องแนนนะคะจะอวยอาชีพการงาน <laughs> ตัวเองตลอดขึ้นไฟที่ไลฟ์อัพเฟซตลอดฉันมีความสุขมากเลยวันนี้อะไรแบบนี้แม้ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดมองให้เสียงเนี้ยมันรบกวนจิตใจเรานะคะมันก็จะรบกวนจริงๆมองไปทางไหนก็จะเจอแต่ผู้โดยสารที่น่าบึ้ง อยากให้ยกกระเป๋าให้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าเรานางงามค่ะเรานางงามอยู่อะไรเงี้ยเมื่อผู้โดยสารบอกว่าเอ้ยอยู่ดีๆลากขึ้นมาเรายกไม่ไหวแล้วอ่ะคือตอนแรกยกไหวมาตลอดแต่พอแพออยู่มันแค่บอยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็จะรู้สึกว่าใช่เพราะว่าฉันมีหน้าที่ในการดูแลเธอไง <c oughs> เราก็จะรู้สึก ตัวใหญ่ขึ้นสวยขึ้นเป็นแอร์ที่ดีขึ้นโดยที่แบบว่าทุออากอย่างยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเรามาโน้ให้เรารู้สึกแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอทําบ่อยๆอะคะ่ะเนืวว่องจามันก็ฝังเข้ามาอยู่ในเซลล์บ้าและเข้าใจไปเลยว่าเป็นคนสวย <c oughs> และมีนาำใจแล้วมีน้ําใจ <c oughs> แล้วา <c oughs> มีคุณค่าจังเลยอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบแมันก็จะบินเพลินมากเลยนะคะถ่ายรูปกับน้องๆแบบเอา้านี่เราต้องกลับไปแล้วหรออะไรแบบเนี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้แต่ละวันของเราเนี้ย มีคุณค่าขึ้นค่ะวันนี้เราก็เพิินใช่ไหมคะก็เลยต้องถึงเวลาไปทำงานกันเลยใช่คะแต่ว่าพระอาจารย์จะต้องมีภารกิจต่อนะคะ <c oughs> เหมือนบันอยู่ที่ผ่านมาห้าวันนี้ฉันก็ทำงานตั้งแต่เมื่อวานจนคนที่เขาทำงานด้วยเขาก็งง ด้วยความที่อาจจะมีฉันทะสูงในการทำงานนะทงานในวันหยุดนะแต่ว่าคนที่เราทำงานด้วยเขาเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้ฉันทะเท่าเราหรือเปล่าก็าไม่รู้นะแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องราวของความสุขในที่ทำงานสุดท้ายแล้ว พูดเฉยๆคำทับพูดเฉยๆก็คือว่ามันก็อยู่ที่ใจใช่ไหมครัอาจารย์อยู่ที่การวางใจของเรารับมือกับสิ่งที่เราเจอรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตยอย่างไรเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเกินกว่านี้เลยต่อให้นิมนต์พระอาจารย์มาอีก3มรอบก็คงประมาณนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าฝั่งพระอาจารย์พูดเรื่องความสุขในการทํางานมาหลายรอบแล้วนะคะ ก็ตัวเองก็ยังทำได้บ้างไม่ได้บ้างถึงก็มาฟังบ่อยๆค่ะแล้วสกัดจิตเข้าไปเรื่อยๆเองนะคะอ๋อถ้าอยากฝึกจริงๆนะไปเดินธรรมยานตากับธรรมาก็ได้เดี๋ยวให้ข้ลเพิ่มเลยนะคะที่ะถาแล้วจะได้สิดเว่าโอ้แม้แมเอ่อแม้กลยร้อนใจไม่ร้อนนะเป็นอย่างเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานเหมเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานร้อนแต่กายใจสงบเย็นนะ รู้แล้วโอโหนขนาดแดดร้อนๆทางแล้วก็ทางลำบากเนี่ยมีความสุขได้และตัวรู้สึกเลยว่าไองานที่เราทำเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยมันคือสวนดีๆนี่เองอ <c oughs> แต่ก็ไม่มีแอร์ก็เย็นแนะนำนะคะหัวหน้างานผู้บริหารนะคะเรียนเชิญค่ะ วันะธันวาลูกน้องไปด้วยต้นธันวาเนีครับแปดธันวานงันวานะคะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ในกายในใจของตัวเองที่ดีมากรู้สึกอยากวไว้พนักงานที่นี่จังเลยค่ะวิถีกิจกรรมดีๆประเด็นว่าเพื่อนดิฉันกับพี่อุ้ยผ่านคอร์สนี้มาแล้วนะคะเราก็เลยไม่ค่อยสุดไม่ค่อยทุกข์กับการทำงานก็ค่ะน่าจะน่าจะเวลาน่าจะประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์มีภารกิจต่อนะคะขอส่งกลับของพี่ศศิใช่ไหมคะค่ะ ก็ขอในย่าคืนเวทีนี้นะคะให้พี่ชัดชัยอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อขอแก้นะครับคือท่านชัดชัยก็คือท่านรองกรรมการอขอใช่ครับ่ะผมชื่อธัทธูตอ๋อใช่คอะคุณนัทธูตครับก็จบ